และขณะเดียวกันเนี่ยนะบุคคลเหล่านี้ก็ไม่ยังบุคคลอื่นให้หลุดพ้นคือตัวเองไม่พ้นเน่ยนะจะช่วยคนอื่นให้หลุดพ้นได้อย่างไงความว่าสัตว์เหล่านั้นจมอยู่ด้วยตนย่อมไม่อาจจะฉุดผู้อื่นที่จมอยู่ให้ขึ้นได้นะสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนจุนทะบุคคลนั้นหนอจมอยู่ด้วยตนแล้วจักฉุดผู้อื่นที่จมอยู่ขึ้นได้เนี่ยข้อนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เป็นไปไม่ได้หรอก อ่ะ น, นะถ้าตัวเองตกหลุมส้วมด้วยนะแล้วชวนคนเอช่วยคนอื่นให้ออกเนี่ยได้ไหมไม่ได้ตัวเองเนี่ยอยู่ในทรายดูดเนี่ยเอาคนอื่นให้ออกจากทรายดูดได้ไหมไม่ได้ตัวเองเนี่ยจมน้ํากะ ล, ล้องกระแลงอยู่เต็มทีแล้วนะจะช่วยฉุดใครขึ้นพ้นน้าได้บ้างไม่ได้หรอกนะพะผูผู้ผู้ใดที่จมอยู่ในกามเป็นต้นเนี่ยนะไม่สามารถชุดผู้อื่นออกจากกามได้หรอกจมอยู่ด้วยอํานาจกิเลสไม่สามารถชุดผู้อื่นออกจากกิเลสได้หรอกเนี่ยนะมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว ป่งยึงตรัดว่าดูก่อนจุนทะบุคคลนั้นหนอไม่ฝึกนีนะไม่ฝึกอ่ะคือเพราะไม่มีการปฏิบัติชอบเพราะมีการปฏิบัติผิดอยู่ไม่อบรมในสังวรวินัยปหานวินัยไม่ดับกิเลสคือมีกิเลสยังดับไม่ได้ด้วยตนเองเนี่ยจากยังผู้อื่นให้ฝึกฝนให้อบรมให้ดับกิเลสได้ข้อนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เป็นไปไม่ได้หรอกตัวเองไม่รักษาศีลนชวนคนอื่นให้รักษาศีลนะนะคือตัวพูดถึงว่า ไอ้ที่สอนสอนกันเนี่ยเอาคําสอนพระพุทธเจ้ามาสอนแต่พูดถึงตัวเขาจริงๆเลยนะถ้าเขาไม่มีศีลอ่ะเขาไม่สามารถจะชวนคนอื่นรักษาศีลได้หรอกถ้าเขาฟุงา้งซ่านอ่ะเขาชวนให้คนอื่นสงบไม่ได้หรอกถ้าเขาโง่เขลาเขาชวนให้ผู้อื่นมีปัญญาไม่ได้หรอกแต่อ้าวแล้วผู้ที่แสดงธรรมนะ่ะแสดงตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่พูดถึงวิสัยลำพังตัวของเขาเองทําไม่ได้นี่นะอีกอย่างหนึ่งไม่มีใครๆ ที่จะยังสัตว์เหล่าอื่นเนี่ยให้พ้นได้เหนนถ้าสัตว์เหล่านั้นจะพึงพ้นได้สัตว์เหล่านั้นก็ต้องปฏิบัติอยู่ในสัมมาปฏิบัติเนี่ยนะคือปฏิบัติชอบต้องใครจะพ้นจริงๆต้องอยู่ในสัมมาปฏิบัติอยู่ในอนุโลมปฏิบัติคือปฏิบัติสมควรอยู่ในอปจิณิกะปฏิปฏิบัติคือปฏิบัติไม่ขัดแย้งต่อการบรรลุอริยสัจ ต้องอนวัวาถาปฏิบัติก็คือปฏิบัติเพื่อประโยชน์ยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะทำมานุธรรมะปฏิบัติก็คือปฏิบัติธรรมเพื่อโลกุตระธรธรม น, นะได้โดยตนเองอ น, นะด้วยเรี่ยวแรงของตนด้วยลำกำลังของต น, ด, ด, นงด้วยความบากบั่นของตนด้วยเรี่ยวแรงของบุรุษด้วยกำลังของบุรุษด้วยความเพียรของบุรุษด้วยความบากบั่นของบุรุษของตนเองจึงจะพ้นได้ น, นะถ้าใครจะพ้นนะต้องปฏิบัติเอาเองอ น, นะ เพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนโทตะกะเราไม่อาจยังใครๆที่มีความสงสัยในโลกนี้ให้หลุดพ้นได้นะพระพผู้ เ, เจ้าช่วยใครไม่ได้หรอกช่วยคือลําพังอะนะทําแทนเขาไม่ได้ครับมาช่วยไม่ได้คือทําแทนเขาไม่ได้หรอกอะนะกินข้าวแทนใครได้ม้างอ่ะนอนแทนใครได้ไหมเรียนแทนคนอื่นได้ไหมยอย่างนี้ไม่ได้สอบแทนได้ไหมถ้าเว้นแต่ปลดขโมยนะได้แต่ว่าว่าตรงๆไปแล้วเนี่ยไม่มีใครทําแทนใครได้ แต่ท่านรู้เฉพาะซึ่งธรรมะอันประเสริฐพึงข้ามห่วงทุกนี้ได้ด้วยประการชนิดแต่ถ้ารู้อริยสัจตรัสรูร้พระนิพพานได้นะก็ข้ามวัฏตักทุกข์ได้จริงๆแล้วก็พระผู้มีพระภาคจงตรัสว่าความชั่วอันบุคคลกระทำด้วยตนบุคคล น, นั้นจะเศร้าหมองด้วยตนบุคคลอันอความชั่วอันบุคคลไม่กระทำด้วยตน บุคคลนั้นจะก่อบริสุทธิ์ด้วยตนความบริสุทธิ์และความไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตนผู้อื่นไม่พึงให้ผู้อื่นบริสุทธิ์ได้เป็นเรื่องที่ทําแทนกันไม่ได้จริงๆใช่ไหมใครละความโกรธแทนกันได้ไหมละความโลภแทนกันละโมหะแทนกันมีปัญญาเผื่อกันได้ไหมไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยนะโดยลําพังนั่นนะเพราะความดีความชั่วบุญบาปเป็นของเฉพาะตนความหิวนะความอิ่มก็เป็นของเฉพาะตนใช่ไหมความสุขความทุกข์ก็เป็นของ เฉพาะตนกรรมและผลของกรรมก็เป็นของเฉพาะตนมาก็มาลําพังของตนไปก็ไปตามลําพังของตนนะนะเพราะฉะนั้นก่อนเกิดเนี่ยพาใครใครน้อยมากที่เป็นแฝดนะแต่ก็มีแต่ว่าถึงแฝดนะพอไปจริงๆก็ไม่ได้ไปอยู่ด้วยกันอีกนะนะั่นแหละเว้นแต่แฝดอินแฝดจากที่ตัวติดกันเท่านั้นแหละที่ไปจากกันไม่ได้จริงๆก็อาจจะอยากจากกันจะแยกอยู่แล้วนะแต่ว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยเป็นอย่างไงแหละ ความดีความชั่วเป็นของเฉพาะตนถ้าทําแทนกันได้นะพระราหุลจะต้องทําแทนตาของท่านอนะพระเจ้าสุภะพุทธะที่ตกนรกนะพระราหุลต้องทําแทนลุงคือพระพระอะไรพระเทวทัตได้พระนางพิมพาต้องทําแทนพ่อคือพระเจ้าสุภะพุทธะทำแทนพี่ชายคือพระเทวทัตได้พระพุทธเจ้าก็ต้องทําเผื่อเราแลว้วอะถ้าถ้าถ้าทําแทนกันได้จริงๆแต่สิ่งเหล่านี้มันเป็นของเฉพาะตนจริงๆเนี่ยนะ ก็อย่าว่าปฏิบัติธรรมเลยความตายมันยังทําแทนกันไม่ได้ใช่ไหมความเกิดความตายเนี่ยทําแทนกันไม่ได้หรอกนีนะใครห้ามตายใครได้บ้างอย่างเงี้ยฉั้นะบุญบาปก็ลักษณะเดียวกันความดีความชั่วก็เป็นของเฉพาะตนเนี่ยนะแล้วพระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้ในคณะกะโมฆคลานาสูตรว่าดูก่อนพรามข้อนี้ก็ฉันนั้นนิพพานก็ตั้งอยู่หนทางไปนิพพานก็ตั้งอยู่เราผู้ชักชวนก็ตั้งอยู่ อย่ น, นี้นะนิโรศจจะก็มีใช่ไหมมัคสัจจะก็มีผู้แนะนําให้ปฏิบัติเพื่อบรรลุมรุ ก, ก็มีก็เมื่อเป็นเช่นนั้นน่ะสาวกทั้งหลายของเราผู้อันเราสั่งสอนอยู่อย่างนี้พร่ำสอนอยู่อย่างนี้บางพวกก็บรรลุถึงนิพพานอันจบสิ้นโดยส่วนเดียวนะพระธรรมเทศาดีบุตรพระโมคคัลลานะก็บรรลุจริงๆแหละอยงนั้นบางพวกก็ไม่บรลุอย่างพระเทวทัตเป็นต้นเนี่ยนะ ดูก่อนพรามในเรื่องนี้เราจะทำอย่างไรได้ดูก่อนพรามตถาคตเป็นเพียงผู้บอกหนทาง น, นนะชี้นำมัก น, น, นะชี้แจงมักพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมบอกหนทางคือบอกอริยมักบอกไตรสิขาเนี่ยสัตว์ทั้งหลายผู้ปฏิบัติอยู่ด้วยตนเองจึงจักหลุดพ้นนะจะต้องปฏิบัติเอาเองนะศีลเนี่ยศีลจะต้องรักษาเอาเองสมถะต้องอบรมเองวิปัสสนาต้องเจริญเองอริยมักต้องเจริญเอาเอง เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าผู้ที่ยังไม่หลุดพ้นเนี่ยนะไม่ยังบุคคลอื่นให้หลุดพ้นด้วยประการชนี้เพัาะผู้ที่หลุดพ้นได้ยากก็ไม่สามารถจะทําให้ผู้อื่นหลุดพ้นได้ผู้ที่ติดข้องเพราะติดข้องในภพเพราะตันหาเป็นเหตุเนี่ยนะตัวเองไม่หลุดพ้นแล้วก็ไม่ทําให้ผู้อื่นหลุดพ้นเนี่ยเพราะอะไรเพราะเขามุ่งหวังข้างหลังบ้างมุ่งหวังข้างหน้าบ้างอนาคตเรียกว่าข้างหลังอดีตเรียกว่าข้างหน้าเห็นไหม อนาคตคือหลังจากนี้ไปใช่ไหยอดีตก็เรียกว่าข้างหน้าเพราะเพิ่ง ผ, ผ่านมาเนี่ยนะผ่านหน้าผ่านตาไปหยกหยกนั่นเองเขาบกว่าอดีตอ่าคือนาคตใกล้อดีตก็ดีปัจจุบันใกล้อดีตก็ดีเรียกว่าข้างหลังอดีตใกล้อนาคตปัจจุบันใกล้อนาคตก็เรียกว่าข้างหน้าสรุปว่าข้างหน้าข้างหลังนั่นแหละหรืออดีตอนาคตนั่นเองบุคคลผู้ทําความหวังในข้างหน้าข้างหน้าที่หมายถึงอดีตอย่างไรคือ บุคคลย่อมหัวลึกถึงความเพลิดเพลินในอารมณ์ว่าในอดีตการเราได้มีรูปอย่างนั้นเช่นมีผมอย่างนั้นมีเล็บอย่างนั้นมีขนอย่างนั้นมีฟันอย่างนั้นมีหนังอย่างนั้นร่างกายแข็งแรงอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยนะเขคิดถึงรูปที่ตัวเองเคยมีอ่ะนะคิดถึงเสียงที่เคยดีคิดถึงสุขภาพผิวพรรณรูปร่างหน้าตาสวดทรง g อ่ะเคยมีรูปอย่างนั้นนะในอดีตการเราเคยมีความสุขอย่างนั้นเนี่ยนะสุขอย่างนั้น นาดีตการเราเคยมีสัญญาอย่างนั้นมีรูปสัญญาเห็นสีขาวสีเขียวสีเหลืองสีดําสีแดงเป็นต้นเนี่ยสัท ธ, ธาสัญญาฟังเพลงเพราะๆอย่างนั้นอย่างนั้นหรือว่ามีสังขารเนี่ยนะมีราคาย่างนั้นมีตัณหาอย่างนั้นมีความสุขเช่นนั้นเช่นนั้นหรือว่ามีวิญญาณมีจิตอย่างนั้นอย่างนั้นนะก็ที่ว่าคนแก่โดยทั่นส่วนหนึ่งก็คืออะไรคิดถึงเรื่องอดีตใช่ไหมเพลิดเพลินในอดีตนีนะ มีอะไรก็มีคุยกันแต่เรื่องอดีตนะเนียที่หลายๆท่านมาเล่าให้ฟังเนี่ยนะที่ผู้เกษียณอายุทั้งหลายเนี่ยเจอหน้ากันเมื่อไหร่ก็คุยกันแต่เรื่องอดีตสมัยนั้นมียศอย่างนั้นมีตำแหน่งอย่างนี้มีหัวหน้าเป็นได้เป็นหัวหน้าอย่างนั้นอย่างนั้นนะเนะ่โดยมากก็นั่งเพลิ่มแต่เรื่องอดีตทั้งนั้นนะเนี่ยนะคนสํานวนว่าคนเคยหนุ่มเคยสาวก็คุยกันเนี่ยนะเขคุยกันเรื่องสมัยที่เคยเป็นหนุ่มเป็นสาวนะแต่ตอนนี้ล่ะไม่ใช่แล้วนะเนี่ย อีกอย่างหนึ่งวิญญาณเป็นของผัวพันด้วยฉันทราค้าในอารมณ์นั้นว่าในอดีตการเราได้มีจักษุดังนี้มีรูปดังนี้เพราะวิญญาณเป็นของผัวพันด้วยฉันทราคะบุคคลจึงเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นนี่ชื่อว่าเพลิดเพลิน เอ่อเรียกว่ามุ่งหวังข้างหน้าเนี่ยนะก็คือคิดถึงในอดีตอะนะเราเคยมีตาอย่างนี้มีสีอย่างนี้เคยมีหูอย่างนั้นมีเสียงอย่างนั้นมีจมูกอย่างนั้นมีกลิ่นอย่างนั้นมีลิ้นอย่างนั้นมีรสอย่างนั้นมีกายอย่างนั้นแข็งแรงแบบนั้นแบบนั้นใจเนี่ยสติปัญญาคล่องแคล่วเป็นด้นเนี่ยนะก็คิดถึงตาหูจมูกกลิ่นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโพธาพะในอดีตอะด้วยอํานาจของตันหาฉันทราคันนะเพลินคิดเรื่องหนึ่งไปเรื่องหนึ่งจากเรื่องหนึ่งไปเรื่องหนึ่งเนี่ยนะ อันนี้พูดถึงพวกที่คิดถึงอดีตนะหรือว่าบุคคลย่อมยินดีมุ่งหวังปลื้มใจด้วยการหัวเราะการเจรจาการเล่นกับมาตุขามในการก่อนอันนี้ชื่อว่ามุ่งหวังข้างหน้าคิดถึงสมัยนั้นเคยจีบสาวบ้านนั้นคุยกับสาวบ้านนี้สาวบ้านนั้นบอกรักอย่างนี้สาวบ้านนี้บอกรักอย่างนั้นไปบอกรักกับเขาอย่างนั้นอย่างนั้นเพลินหัวเราะขำขีก้กลกข้กากกับเขาตอนนั้นตอนนั้นเนี่ยนะอันนี้เคยเห็นเข้ามานะเขาเล่าก็เป็นลักษณะนั้นมีความสุขกับเรื่องไงอดีตเนี่ย พวกนี้เขรียกว่ามุ่งหวังข้างหน้านะหน้าในทีนี้ก็คือที่ผ่านมาส่วนพวกมุ่งหวังในข้างหลังที่ยังไม่มาถึงก็คือพวกที่เพลิดเพลินในอารมณ์อนาคตเนี่ยนะเราจะมีรูปอย่างนี้นะจะร อ, อขนาดไหนดีคุณจุ๋มนะมีรูปอย่างนั้นมีผมอย่างนี้มีขิวอย่างนี้มีฟันอย่างนั้นมีผิวหนังอย่างนั้นสูงเท่านั้นผิวแบบนั้นเนี่ยพวกนี้ก็หวังในอนาคตมีเวทนาอย่างนั้นมีความสุขอย่างนั้นมีสัญญา อย่างนั้นมีสังขารอย่างนั้นมีวิญญาณอย่างนั้นสรุปมีขันห่านะต้องการขันห่าแบบไหนดีเอาขันห่าเป็นมนุษย์เนี่ยนะตระกูลไหนเอาถ้าผิวเท่าไรอะไรยังไงเกิดเป็นเทวดาชั้นไหนดีล่ะอะไรพวกนี้ครับมกบุญหวังข้างหลังนะอนาคตนั่นเองหรือบุคคลเนี่ยตั้งความปรารถนาเพื่ออารมณ์ที่ยังไม่ได้ว่าอนาคตขอให้เรามีตาอย่างนี้มีสีอย่างนี้เนี่ยนะมีหูอย่างนี้มีเสียงอย่างนี้มีจมูกอย่างนี้มีกลิ่นอย่างนี้มีรถ มีลิ้นอย่างนี้ได้รถอย่างนั้นมีกายอย่างนี้รับโพธิภาอย่างนั้ น, นมีใจอย่างนี้รับเรื่องราวแบบนั้นแบบนั้นเนี่ยก็ตั้งความปรารถนาตั้งความปรารถนาเอาขันห้านะตั้งความปรารถนาเอาอายตนะสิบสอหรือบางพวกก็ย่อมตั้งจิตเพื่อให้ได้อารมณ์ที่ยังไม่ได้ว่าเราจะได้เป็นเทวาราชหรือเป็นเทวดาตนใดตัวหนึ่งด้วยศีลห้าด้วยศีลแปดเป็นต้นนะหรือว่าด้วยทุดงนะนะรักษาธุดงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือด้วยปพุตตะบะ บำเพ็ญเพียรอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะหรือด้วยการเว้นจากเมถุนถือสีญแปดเนี่ยนะก็ตั้งจิตเอาไว้สาธุขอให้เป็นเทวดาชั้นใดชั้นหนึ่งให้เป็นพระราชามาหากษัตริย์เนี่ยนะก็ตั้งความปรารถนาไว้แล้วพวกนี้เรียกว่ามุ่งข้างหลังก็คือปรารถนาขันธ์ห้านะถามว่าผู้ปรารถนาขันธ์ห้าจะพ้นขันธ์ห้าได้ไหมไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยนะก็ปรารถนาขันธ์ห้าก็ติดหนับในขันธ์หานั่ น, นแหละ ปรารถนาซึ่งกามเหล่านั้นหรือกามที่มีอยู่ในก่อนนะนะคว่ากามเหล่านั้นก็คือกามในปัจจุบันก็คืออยากได้ยินดีปรารถนาทะเยอทยายนใฝ่ฝันถึงกามห้าที่เป็นปัจจุบันกามคุณห้าใช่ไหมไปเห็นรถก็แหมจะเอารถคันนั้นมาให้ได้นะนะไปได้ฟังเพลงเอาให้จะต้องซื้อม้วนเพลงฉบับนั้นมาเป็นของเราให้ได้ <S <S <S <S เห็นบ้านหลังนั้นก็แหมจะเอามาเป็นของเราให้ได้นะได้ใช้ได้ไ ด, ได้กลิ่นหอมชนิดนั้นแหมเราต้องเป็นเจ้าของแบบนั้นในเห็นรถ เห็นอาหารแบบนั้นเราต้องกินให้ได้เห็นเสื้อผ้าชุดนั้นต้องเอามาใช้ให้ได้พวกนี้ก็เรียกว่าเพ้อฝันถึงการมมรรคท่าที่เป็นปัจจุบันคำว่าปราถนาอยู่ซึ่งกามที่มีในก่อนความว่าปราถนาอยู่บนเพ้ออยู่รำพันอยู่ถึงกามมรรคท่าที่เป็นอดีตนะพันว่าโดยสรุปว่าสัตว์เหล่านั้นผู้ติดพันด้วยความเชื่อมชื่นในภพ เพราะเหตุแห่งความปรารถนาะหรือเพราะความปรารถนาะเป็นเหตุมุ่งหวังอยู่ข้างหน้าบ้างมุ่งหวังอยู่ข้างหลังบั้ง น, น ะ, ะอดีตอนาคตปัจจุบันเนี่ยนะหรือกามที่มีอยู่ในก่อนเขาเนี่ยเป็นผู้หลุดพ้นได้ยากแล้วก็ยากที่จะพาคนอื่นให้หลุดพ้นนะนะก็ที่เห็ น, เ ห, นเห็นอยู่เนี่ยแล้นะที่เห็นเห็นอยู่เนี่ยเขาก็ติดข้องกิเลสเนี่ยเล่นงานทรัพย์สั่อวมอรไทยไปหมดตัวเองก็จมอยู่ในวัฏทุกข์ก็ไม่สามารถจะช่วยให้ผู้อื่นข้ามพ้นจากวัฏทุกข์หมกมุ่นอยู่อย่างนั้นแหละ <c oughs> นี่คาถาต่อไปก็กล่าวถึงโทษเนะนะว่าถ้าถ้าติดข้องอยู่ในร่างกายกิเลสครอบงำย่ำยีนะเนี่ยอ่าเรียกว่าเพลิเพลินอะไรอวบอดีตบ้างหวังอนาคตบ้างติดใจอยู่ในปัจจุบันบ้างพ้นไม่ได้ไม่สามารถให้ตัวเองเอช่วยผู้อื่นให้พ้นได้ถามว่าอะไรจะเกิดขึ้นน ะ, นะถ้าเป็นอยู่อย่างนี้นะอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตเขานะนะ ถ้าเป็นอย่างนี้นะพูดแบบภาษาไทยเราก็คือว่าถ้าเขาไม่ศึกษาธรร ม, มนะนอะไรจะเกิดขึ้นกับเขานะก็รู้เลยใช่ั้ยกล่าวว่าสัตว์เหล่านั้นปรารถนากามขวนขวายกามหลงไหลอยู่ในกามทั้งหลายก็เป็นผู้ตกต่ำตั้งอยู่ในกรรมอันไม่สม่ำเสมอเนี่ยนะต่างกายไม่สม่ำเสมอสุรธรรมชั่วกายวาจาใจเนี่ยก็ถึงทุกข์แล้วคือตายอ่ะนะ พอทําความชั่วยอย่างนี้จนตลอดชีวิตอนะเพลิดเพลินในกรรมทําความชั่ว ต, ตลอดชีวิตก็รําพันอยู่ว่าเราทั้งหลายตายจากชาตินี้แล้วจะไปเป็นอะไรเนาะใช่ไหมคิดแล้วค่ะเนี้ยนะเริ่มคิดแล้วชาติหน้าจะเป็นยังไงนาะเนย น, นะชาติหน้าจะเป็นยังไงเนาะก็ต้องมีคิดแหละนั่นนะบางคนก็คิดเรื่องนี้มา ก, ก น, นะถ้าพวกที่ถือว่าตายแล้วศูนย์ก็พวกนี้ก็จะไม่ค่อยคิดจะรีบสวยเพราะถือว่าตายที่สุดก็คือการ ศูนย์ใช่ไหมแต่พวกเชื่อว่าพบหน้ามีก็เอ๊ะเราจะไปเกิดเป็นอะไรนาะจะไปเกิดเป็นอะไรนาะเนี่ยนะก็เริ่มซื้อบุญกันแล้วคะแนนเลยนะซื้อถูกบุญบ้างซื้อผิดบุญบ้างนะเหมือนซื้อหวยแหละนะคนที่ซื้อถูกจริงๆก็ไม่เท่าไหร่แล้วกันเลยสันใดก็ดีเพื่อที่ซื้อสวรรค์ก็เหมือนกันเน่ยนะโดยมากก็ถูกล่วงกระเป๋าไอ้เกลี้ยงหมดนะ